ยานีทภพูตานิสมากตานีภุมานิวะยานีวะอันตลิกเฆสัพเพวะพูตาสุมาณาภวันตุอโธปิสักกะจ้สุนันตุพาสิตังสัสมาหิพูตานีสามีทสัพเพเมตังกรโรธะมานุสิยาปชายาทิวาจรรโตจหรันติเยพลิง ตัสมาหิเนรคาถาปมาตายังกินจีวิตตังอิทวะหุรังวาสักเเสุวายังรัตนังปณีตังนาโนสังอาติตทักเตนาอิธรมพิพุทเทรตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัิโคตุขยังวิราคังอะมะตังปณีตัง ยาทชคาคัสเกยมุนีสมาหิโตนาเตนธัธมเนนัสมาธิกินเจปีธรรมปีธรรมเมรุตนัะพนีตังเอเตนัสเจนัสสวัตทิโคตูยํมพุทธเศรษฐปริวันนีสุจริงสมาธิมานันตริกันเยมาหูสมาธินาเตนัสมาโนวิชิตี ท, ที่ทำที่ทำเม е รัตนังปณิตังเอเตนะสะเจนะสุวัติโหตูพูดเหล่าใดประชุมกันแล้วในประเทศนี้ก็ดีหรือภุ ม, มเทวดาเหล่าใดประชุมกันแล้วในอากาศก็ดีขอหมู่พูดทั้งปวงจงเป็นพูดใจดีและขอจงฟังภาษิตโดยคารพบดูก่อนพูดทั้งปวงเพราะเหตุนั้นแหละท่านทั้งหลายจงตั้งใจฟังขอจงแผ่เมตตาจิตในหมู่มนุษย์ มนุษย์เหล่าใดนำพลีกรรมไปทั้งกลางวันกลางคืนเพรอเหตุนั้นแลท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมารักษาเหล่ามนุษย์นั้นซัพย์เครื่องปลื้มใจอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้หรือในโลกอื่นหรือรัตนะใดอันเป็นรัตนะอันประณีตในสวรรค์ทรัพย์และรัตนนั้นเสมอด้วยตถาคตเจ้าไม่มีเลยพระพุทธรัรตนนี้เป็นรัตนะอันประนีต ด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านพระสัจยมุนีผู้มีพระหารุไทยดํำรงมั่นได้บรรลุพระธรรมคือพระนิพพานใดอันเป็นธรรมที่สิ้นจกิเลสเป็นธรรมที่คลายกิเลสเป็นอมะตะธรรมเป็นธรรมอันประนีตทําอะไรอะไรอันเสมอด้วยพระธรรมคือพระนิพพานนั้นย่อมไม่มีพระธรรมรัตนแม้นี้เป็นรัตนะ อันพระนีดด้วยสัจาวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอีกครั้งขอนอบน้อมพระธรรมด้วยขอนอบน้อมพระอริยสงังพระอริยสงฆ์ด้วยด้วยใจเคารพเพือ่อเฟื้อขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายในบทสวดเมื่อสักครู่นี้อันตรมาได้สวดในบทของเขาเรียกว่า รัตนปริตเป็นพระปริตเนี่ยที่เขาใช้กันในใช้สวดในมนพิธีต่างๆสวดในาศาสนาพิธีเช่นงานแต่งบ้างงานต่างๆที่เป็นงานมงคลนะอา้าวแล้วรัตนปริตเนี่ยเขาสวดเมื่อไหร่มีความเชื่อยังไงเขาสวดเมื่อใช้กับพุทธบริษัทที่คิดว่าในยามที่ประสบเนี่ยประสบปัญหาคือข้าวยากหมากแพงประการที่หนึ่งใช่ไหม ประสบกับอามนุษย์เบียดเบียนก็สวดรัตนปริตรแล้วก็ประสบกับโรคภัยไข้เจ็บอย่างเช่นโรคระบาดเป็นต้นโรคอหฮวาตากโรคเนี่ยอยากจะขอเล่าตำนานของรัตนปริตรเนี้ยเป็นต้นนะในรัตนปริตรเนี้ยความหมายก็คือเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระธรรมบูชาพระสงฆ์ประกาศความเป็น รัตนะอันประเสริฐเป็นรัตนะอันประนีดในรัตนะอันในโลกเนี้ยนะในโลกใบนี้สิ่งที่มีค่าที่สุดใช่ไหมอะไรที่คิดว่าอะไรที่พวกเราเห็นว่ามีค่าที่สุดที่เราเห็นเห็นกันอยู่รัตนะของพวกเราคืออะไรแก้วแหวนเงินทองเป็นรัตนะของพวกเราไหมมีค่าไหมแก้วก็ดีแหวนก็ดีเงินก็ดีทองก็ดี ใช่ไหมซับทั้งหลายเครื่องปลื้มใจทั้งหลายเนี่ยอา้อาวอย่างเช่นบุตรภรรยาเนี่ยเป็นเป็นเครื่องปื้มใจไหมอา้าวก็เป็นอีกใช่ไหมสิ่งเหล่านี้ก็ก็คือถือว่าเป็นของมีค่าทั้งหมดแต่ในบรรดาสิ่งที่มีค่านั้นน่ะในโลกนี้แบ่งออกเป็นสองอย่างรัตนะที่มีวิญญาณกับรัตนะที่ไม่มีวิญญาณใช่ไหมรัตนะที่ไม่มีวิญญาณเป็นยังไงก็เช่น แก้วแหวนเงินทองใช่ไหมรัตนะที่มีวิ ญ, ญญาณก็คือสิ่งที่มีชีวิตที่มีค่าใช่ไหมสิ่งที่สิ่งมีชีวิตที่มีค่าอย่างเช่นช้างแก้วม้าแก้วจักรแก้วออขอภายขอพายช้างแก้วม้าแก้วนางแก้วปุโรหิตแก้วอย่างเงี้ยพระราชามห า, ากษัตริย์เนี่ยเป็นต้นในบรรดาในบรรดารัตนะที่มีวิ ญ, ญญาณและไม่มีวิญญาณเนี่ยเขาแบ่งเป็นสองกันอย่างนี้นะ แล้วอะไรประเสริฐกว่ากันระหว่างที่มีวิญญาณกับไม่มีวิญญาณอะไรประเสริฐกว่ากันรัตนะที่มีวิญญาณก็ประเสริฐกว่าใช่ไหมบุคคลที่มีชีวิตเนี่ยย่อมมีค่ามากกว่าแก้วแหวนเงินทองก็ดีเพชรพลอยเพชรนินจินดาทั้งหลายมีค่ามากกว่าอะไรทีนี้รัตนะที่มีวิญญาณเนี่ยก็สามารถแบ่งออกเป็นสองได้เหมือนกันก็คือรัตนะที่มีวิญญาณนะสิ่งประเสริฐที่มีชีวิตใช่ไหม ก็แบ่งออกเป็นสองก็คือได้แก่ดีรฉานรัตนะกับมนุษย์รัตนะรัตนะที่เป็นมนุษย์กับรัตนะที่เป็นดิรฉานใช่ไหมอย่างเช่นอะไรช้างแก้วม้าแก้วอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นดิรฉานรัตนะมนุษย์รัตนะเป็นยังไงอย่างเช่นนางแก้วนางสนมแก้วพระมเหสีพระราชาอย่างเงี้ยเป็นเป็นมนุษสารัตนะในบรรดาดสัตว์ดิรฉานกับมนุษย์อันไหนประเสริฐกว่ากัน ก็มนุษย์มนุษย์ประเสริฐกว่าใช่ไหมแล้วในบรรดามนุษย์เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นสองมนุษย์ที่เป็นเพศชายกับมนุษย์ที่เป็นเพศหญิงใช่ไหมเขาเรียกว่าปุริสารัตรนะคือเป็นมนุษย์ที่เป็นเพศชายกับอิทิรัตรนะมนุษย์ที่เป็นเพศหญิงนะอย่างเช่นพระราชาพระเจ้าจากักรพรรดิกับมเหสีนางแก้วเมื่อแยกกันอย่างนี้แล้วเนี่ยอะไรที่ประเสริฐกว่ากันก็บอกว่านางแก้วเนี่ย อย่างเช่นนางแก้วเวลาเกิดมาจากกําลังบุญของพระเจ้าจากักรพรรดินะเวลาที่นางเข้าไปอยู่ใกล้ๆ ก, กับพ ร, พระเจ้าจากักรพรรดิเป็นต้นเนี่ยเวลาที่พร ะ, พระเจ้าจากักรพรรดิรู้สึกร้อนไอตัวของนางก็จะมีลักษณะที่เย็นใช่ไหมแต่ว่าเวลาที่พระเจ้าจากักรพรรดิรู้สึกว่าเย็นเนี่ยตัวนางก็จะอุ่นใช่ไหม แล้วตัวของนางจะมีกลิ่นหอมมากปากหอมมีตา ง, งามมีผมงามมีจมูกงามมีส่วนทรงทุกอย่างที่งามอันนี้เขาเรียกว่านางแก้วใช่ไหมแต่ว่านางแก้วอย่างนั้นเนี่ยเกิดมาจากกำลังบุญของพระเจ้าจากักรพรรดิเพราะฉะนั้นในบรรดาอิทธิรัตนะกับปุริสรัตนะเนี่ยปุริส ร, นะ ร, รัตนะที่เป็นมนุษย์ผู้ชายก็ประเสริฐกว่ามนุษย์ที่เป็นผู้หญิงนะอาแล้วในบรรดาในบรรดาปุริสรัตนะเนี่ย ก็แบ่งออกอีกเป็นสองอีกเหมือนกันใช่ไหมผู้ชายเนี่ยก็แบ่งออกเป็นสองอีกก็คือบุคคลหนึ่งที่ออกบวชกับบุคคลหนึ่งที่คลองเรือนใช่ไหมเขาเรียกว่าอนาคาริกกับอนาเออะ อ, อาคาริกกับอนาคาริกแบบไหนประเสริฐกว่ากันใช่ไหมบุคคลที่คลองเรือนเป็นยังไงก็อย่างเช่นพระเจ้าจากักรพรรดิพระราชามหากษัตริย์นะเป็นต้นอันนี้เขาคลองเรือน แต่ว่านักบวชเนี่ยแม้กระทั่งพระราชามหากษัตริ์ยังต้องมากราบต้องมาไหว้ไม่ต้องมาประพนมอัญชลีใช่ไหมในบรรดารัตน์ทั้งสองอย่างนี้นักบวชก็เป็นรัตน์อันประณียิ้งกว่าเป็นรัตนะที่ประเสริฐยิ่งกว่าอันนี้ในบรรดาของนักบวชในบรรดาของผู้ที่ไม่ครองเรือนก็แบ่งออกเป็นสองอีกเหมือนกันก็คือบุคคลที่เป็นเสขะบุคคลกับบุคคลที่เป็นอาเสขะบุคคล บุคคลที่เป็นเสขาเนี่ยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นบุคคลที่ยังต้องศึกษาอยู่เป็นนักบวชที่ยังต้องศึกษาหาความรู้หรือว่าฝึกฝนตนเองกับบุคคลที่ไม่ต้องฝึกตัวเองแล้วจบการศึกษาเขาเรียกว่าอเสขบุคคลมีพระอรหันต์เป็นต้นนะในบรรดา2 อ, อกลุ่มเนี่ยเสขากับอาเสขาเนี่ยเขาเรียกว่าอาเสขาก็ประเสริฐกว่าในบรรดาอาเสขาผู้ที่เรียนจบแล้วในผู้ที่ไม่ต้องฝึกแล้วเนี่ยก็แบ่งออกเป็นสองกลุ่มเหมือนกัน ก็เรียกว่าสาวกะพุท ธ, ธะกับฮัลโหลกับสัมมาสัมพุท ธ, ธะใช่ไหมบุคคลที่กำลังฝึกอยู่เนี่ยเาเรียกว่าเป็นพระอรหันเนี่ยที่เป็นสาวกะพุท ธ, ธะเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นบุคคลที่จะต้องฟังพระธรรมที่จะต้องที่จะต้องฟังคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วสามารถตัสรู้ตัสรู้เป็นพระอรหันได้กับอีกบุคคลกลุ่มหนึ่ง ที่สามารถตัศรู้ชอบได้ด้วยตนเองเลยไม่ต้องมีครูไม่ต้องมีอาจารย์ใช่ไหมบุคคลที่บําเพ็ญบารมีมาอย่างเพื่อตัสรู้เองเนี่ยก็ประเสริฐกว่าใช่ไหมในบรรดากลุ่มที่ตัศรู้ชอบได้โดยตัวเองก็แบ่งออกเป็นสองอีกเหมือนกันก็คือปัจเจกพุทธะหนึ่งกับสัมมาสัมพุทธะหนึ่งใช่ไหมในบรรดาที่เป็นปัจเจกพุทธะนั้นเนี่ย ก็เป็นผู้ที่สามารถตัสรู้ชอบได้ด้วยตนเองเหมือนกันแต่ไม่สามารถตั้งศาสนาได้ไม่สามารถกล่าวธรรมวินัยสามารถทำให้หมู่สัตว์เนี่ยออกจากวัฏทุกเป็นต้นได้แต่ว่าสัมมาสัมพุทธรัตนเนี่ยมีพระพุทธเจ้านะสามารถตัสรู้ชอบได้ด้วยตนเองด้วยแล้วก็สามารถตั้งศาสนาได้ด้วยเนี่ยสามารถกล่าวคาสอนนะ บอกธรรมะได้สามารถขนสัตว์หรือสัตว์เนี่ยออกจากวัฏฏทุกเป็นต้นได้เนี่ยเป็นผู้ที่กล่าวธรรมะถ้าเราจะมองดูตั้งแต่ตั้งแต่รัตนะตั้งแต่มีวิญญาณรัตนะที่มีวิญญาณตั้งแต่รัตนะที่เป็นดีรชาณรัตนะรัตนะที่เป็นมนุษย์รัตนะรัตนะที่เป็นเอ่อเป็นอิถีรัตนะรัตนะที่เป็นมนุษยเอ่อภริสารัตนะรัตนะที่เป็นอนาคาริก อาคาริกในบรรดาที่เป็นอเสขะเสขะบุคคลในในบรรดาที่เป็นสาวกะสาวกะกัสมมาสมพุทธ h ในบรรดาที่เป็นปัจเจกกะพุทธกสัมมาสมุทธ h ถ้าเทียบกันตั้งแต่ไร่ยิ่งแต่เริ่มต้นไปจนถึงสูงสุดเนี่ยก็ปรากฏว่าสัมมาสมพุทธ h เนี่ยเป็นรัตนะอันประนีเป็นรัตนะอันประเสริฐสูงสุดในบรรดาบทที่อธตมาได้กล่าวมานี่คือก็คือเรามากล่าวสรรเสริญ สัมมาสัมพุทธเจ้านะแม้แก้แหวนเงินทองก็ดีเนี่ยแม้แก้แหวนเงินทองเพชรนินจินดาทั้งหลายเนี่ยก็ยังสู้สู้พุทธรัตนะไม่ได้นะพระพุทธรัตนะคือใครอา้าวพุทธพุทธรัตนะคืออ้าวเนี้ยบุคคลนะอย่างพระพุทธเจ้าที่บำเพ็ญบา ร, รมีมานะอย่างต่ำยี่ประสซ็์ขงขายยิ่งด้วยแสนมหากัฐ บ, บุคคลที่บำเพ็ญบา ร, รมีมาให้ทาน ให้ทานแม่แรกด้วยอวัยวะแม่แรกด้วยชีวิตแม่แรกด้วยทรัพย์แม่แรกด้วยญาติเนี่ยเป็นต้นบําเพ็ญทานบารมีศีลบารมีเนคขมบารมีปัญญาบารมีนะวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิฐานบารมีเมตตาบารมีนะอุเบกขาบารมีเป็นต้นบําเพ็ญบารมีมา20อสงคขายยิ่งด้วยแสนมหากัปแล้วต้องบําเพ็ญบารมีอย่างเงี้ยทุกชาติอสงคขายหนึ่งเนี่ยยาวนานแค่ไหนหนึ่งรอบอ่านะ อสงไขน่นึงเนี่ยยาวนานเท่ากับว่าโลกเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่นะแล้วก็ดับไปหนึ่งใบนะยาวนานขนาดนั้นนะแล้วก็ตามด้วยเลขศูนย์อีกหนึ่งร้อยสี่สิบตัวพระบรมศาสดาเนี่ยบำเพ็ญบารมีมาสียี่สิบรอบยี่สิบอสงไข ย, ยิ่งด้วยแสนมหากับกว่าจะมาเป็นพระพุทธเจ้าได้ดังนั้นเนี่ยนานๆที่เนี่ยพระพุทธเจ้าจะอุบัติเกิดขึ้นมาสักพระองค์หนึ่งใช่ไหม้ามาจะขอเล่า เล่าประวัติของตัวรัตนปริฤทธ์เนี่ยที่ตามาได้สาสาธยายเมื่อสักครู่เนี่ยว่าประวัติความเป็นมาเนี่ยเขาสวดกันในยามที่ข้าวยากข้าวยากหมากแพงใช่ไหมสวดในตอนที่มีอาหมนุษย์มาเบียดเบียนสวดในตอนที่มีโรคภัยโรคระบาดโดยโดยประวัติแล้วเนี่ยสมัยหนึ่งสมัยทุตตการใช่ไหมมีครั้งหนึ่งที่เมืองไวัยสาลีตอนเนี้ บางที่นะบางคนจะเรียกว่าเมืองไพรสาลีก็ได้เมืองเวสาลีก็ได้เวสาลีก็ได้ไพราลีก็ได้เนี่ยตอนนี้อยู่ที่อินเดียใช่ไหมเมืองเนี้ยตลอด7ชั่วอายุของเอ่อเจชั่วอายุคนนะที่ปกครองมาเนี่ยไม่เคยประสบกับข้าวยากหมาแพงเลยไม่ไม่เคยประสบกับทุพทุพภัยเลยเรียกได้ว่าตอนนั้นในเมืองไวสาลีเนี่ย ฝนไม่ตกเป็นเวลา3ปีอ้าวเหตุการณ์เหตุการณ์ก็มีอย่างนี้นะว่าพอฝนไม่ตกนะพอฝนไม่ตกตลอด3ปีเนี่ยข้าวยากหมากแพงใช่ไหมก็เกิดขึ้นใช่ไหมการปลูกอะไรก็เป็นไปได้ยากการทํามาหากินก็เป็นไปได้ยากทีเนี้ยเกิดอะไรขึ้นก่อนคนที่ยากจนก็พากันล้มตายใช่ไหมคนที่ยากจนจะไปก่อนนะ และหลังจากนั้นเนี่ยพอพอเกิดการล้มตายขึ้นมาแล้วเกิดศพเนี่ยกองกองพระเนพระนาศเนี่ยคนก็เอาศพเนี่ยไปทิ้งนอกเมืองลักษณะนั้นเมื่อคนเอาศพไปทิ้งกันนอกเมืองแล้วอะไรเกิดเหตุการณ์อะไรต่อมาอามนุษย์ได้กินศพใช่ไหมเขาก็มากินศพบ้างก็มาหาอาหารกับศพบ้างและนอกจากนั้นเนี่ยอามนุษย์ก็ยังเข้าไปในเมืองด้วยไปคอยเบียดเบียนคนในคนในเมืองด้วยทําให้เกิดอะไร ทำให้มนุษย์เนี่ยตอนนั้น เ, นเจอโรคระบาดเป็นอหิวาตักรโรคบ้างใช่ไหมเจอตอนนั้นเจออะไรละเจอข้าวตอนนั้นเมืองเวสาลีก็โดนโดนอะไรเบียดเบียนบัางโดนข้าวยากหมากแพงเบียดเบียนใช่ไหมโดนทั้งอาหมนุษย์ในเบียดเบียนโดนทั้งเอ่อโดนทั้งโรคโรคระบาดในเบียดเบียนอหิวาตักโรคเนี่ยทีนี้เขาประชาชนก็บอกโอ้ไม่ไหวละเอาเราจะทํายังไงดีเนี่ย ทีนี้เนี่ยก็บอกว่าเมืองของเราเนี่ยไม่เคยไม่เคยเลยที่จะเกิดเหตุการณ์เนี่ยทุกข์หนักอย่างนี้ฮะก็เลยเหล่าผู้บริหารประเทศก็มานั่งประชุมกันมนั่งประชุมกันแล้วบอกว่าเอ๊สงสัยเราจะทํำยังไงเราจะแก้ปัญหาอย่างไรดีเอ๊พวกเราเป็นประพฤติไม่ตามธรรมหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะหาความผิดไม่ได้เลยอะอย่างนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ย พระพุทธเจ้ามีคนก็เสนอความคิดมาว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วพระองค์เป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นเป็นผู้ที่ตัดสรุชอบได้โดยพระ อ, องค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิ ช, ชาและจรณะเป็นผู้ที่เสด็จไปดีแล้วเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นสารถีผู้ฝึกบุรุษผู้สมควรที่ฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเนี่ยเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นต้นนะเนี่ยบอกมาเสนออย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านเดือดร้อนเนี่ยลองไป ลองไปนีมนพระพุทธเจ้าให้มาที่เมืองนี้สินัเป็นการแก้ปัญหา ara, เพราะอะไรเพราะ engineer, ท่านเนี่ยเป็นผู้ ließen, มีอิทธิฤทธิ์มากมีคุณมากนะเห็นต้นเออก็สรุปได้ความว่าก็สรุปได้ความว่าเออทั้งหลายเนี่ยก็วางแผนกันนะว่าจะนีมนพระพุทธเจ้ามาที่เมืองตอนนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยประทับอยู่ที่ไหนตอนนั้นพระพุทธเจ้าประทับที่เมืองตอนนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เมืองราชคลึกราชคลึกเนี่ย เป็นเมืองของที่พระเจ้าพิมพิสารปกครองอยู่ใช่ไหมพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเป็นผู้ที่มีความรักในพระพุทธเจ้ามากถามว่าเมื่อเมื่อรักอย่างนั้นแล้วเนี่ยถามว่าปรารถนาอยากให้ไปที่อื่นไหมไม่อยากก็อยากใจพระองค์เนี่ยประทับอยู่ที่เมืองราชคฤกนั่นนั่นแหละเนี่ยเมื่อเมื่อชาวเวสาลีเนี่ ย, วว ร, ยรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยก็ส่งส่งสารไปบอกว่าขอให้ท่านเนี่ยโปรดนิมขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยนิมนต์พระ พระพุทธเจ้ามาที่เมืองของข้าพเจ้าเถิดตอนเนี้มันเกิดภัยหนักจริงๆขอให้ท่านได้เข้าใจว่าตอนนี้เราประสบภัยหนักหนานะพวกเราเป็นไหมตอนนี้เรามีภัยกันไหมภัยภัยในที่นี้คือโอ้โหอย่างไวสาลีเนี่ยเจอทุกหนักมากก็นิมนต์ปราถนาจะนิมนต์นะพระเจ้าข้พิมพิสารเนี่ยถามว่าอยากให้ไปไหมไม่อยากหรอกแต่ก็เข้าใจนะท่านตอนนั้นท่านบรรลุเป็นโสดาบันนะเห็นว่าเออเราไม่ควร เราไม่ควรที่จะ เ, เก็บท่านไว้อย่างนี้ก็ไปกราบคูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารับนิมนต์นะรับนิมนต์ก็บอกว่าเอาให้โฆษณาไปว่าเร า, เารับนิมนต์แล้วเนี่ยก็บอกโอ و, ก้โหก็โหชาวเมืองเวสารีก็ดีใจมากและทีนี้เป็นการตอนที่จะไปส่งพระพุทธเจ้านะพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยโอ้โหด้จากความรักของความรักในพระพุทธเจ้าเนี่ยพาบอกว่าให้ประชาชนเนี่ยทำทางตลอดนะผ่านไป ไปที่าทาทางตลอด5โยดโยดละ16กิโลเมตรทำทางเกลีย่ยดินเกลีย่ยทรายนะให้เรียบทำพื้นให้เรียบใช่แล้วก็บูชาด้วยดอกไม้บ้างบูชาด้วยเนี่ยไปตามระยะทางอ่ะเป็นต้นแล้วก็เอาฉัดเอาร่มกัน้นใช่ในระหว่างนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เสด็จดำเนินไปที่แม่น้ำคงคาใช่โอ้โหตอนที่พระเจ้าพิมพิสารเนี่ย ส่งไปส่งพระพุทธเจ้านะถึงลงลงไปในแม่น้ำนะพระเจ้าพิมพิสารก็เดินไปส่งเนี่ยเดินตัวเองเดินลงไปในน้ําเดินลงไปในน้ำนะพนมมือพนมมือไปส่งพระพุทธเจ้าเรือก็เดินออกไปแล่นออกไปแล่นออกไปใช่ไหมพ ร, พระเจ้าพิมพิสารก็เดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยจนจนน้ํานี่ถึงมิดคอเลยเรียกมิดคอแล้วก็แล้วก็บอกว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญเนี่ยข้าข้าพระองค์เนี่ย จะรอพระองค์อยู่ที่นี่แหละจะไม่ไปไหนจนกว่าพระองค์จะกลับมาขอพระผู้มิภาคเจ้าเนี่ยเมื่อทําธุระเสร็จแล้วเนี่ยขอรีบขอรีบกลับมาด้วยเถิดเนี่ยอันนี้เป็นแสดงถึงความรักความความรักเนี่ของชาวเมืองด้วยของพระเจ้าพิมพิสารด้วยที่รักในตัวของพระผู้มีพระภาคเจ้ามากเนี่ยเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเดินทางนะข้ามแม่น้ํานั่งบนเรือนะไปถึงไปถึงเมืองไวสาลีเท่านั้นแหละใช่ไหม ชาวเมืองไวสาลีนะประตอนรับพระพุทธเจ้าเลยทุกคนเนี่ยมาลงมาเนี่ยเรียกว่ามาลงมารอในน้ําเลยอ่ะเรียกว่าน้ำเนี่ยมิดคอเลยโอ้โหเขาศรัทธามากในพระพุทธเจ้ามีความรักในพระพุทธเจ้ามากเราเป็นอย่างนั้นไหมในตอนที่เราได้ยินว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันเนี่ยเป็นผู้ไกลาจากกิเลสเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองพูดถึงเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วเนี่ยเสด็จไปตามอริยมรตมีองค์แปดเสด็จไปทาง สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมารกรรมตะเนี่ยไปถึงถึงสมาสมาธิเนี่ยสเสด็จไปดีแล้วเป็นผู้รู้โรคอย่างแจ่มแจ้งด้วยเป็นผู้เรียกว่าเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษผู้สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นาศาสดาของเทวดาและมุมทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้มีความจำเริญจําแนกธรรมสั่งสอนศาสตร์เนี่ยเป็นต้นเวลาเขาได้ยินอย่างนี้แล้วเนี่ยโอ้โหเขาตื่นเต้นกันมากเลยนะ โอ้พระพุทธเจ้าสุดยอดพระพุทธเจ้าสุดยอดพระพุทธเจ้ากําลังจะเสด็จมาแล้วเนี่ยเขาตื่นเต้นกันทําการโฆษณายอย่างเงี้ยตลอดทาง เ, เสียงก็ซึงแสซึงแสไปใช่ไหมเรารู้สึกอะไรบ้างไหมที่จะบอกว่าอิทะตถาคโตโลเกอุปโนเนี่ยบอกว่าพระตถาคตเจ้าอุบัติเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้พระองค์เป็นพระอรหันนะพระองค์เป็นผู้ไกลจากกิเลสนะโอ้โหพอได้ยินแค่เนี้เรารู้สึกอะไรไหมโอ้โหแต่ก่อนนะ ผู้ใครจะกิเลสโอ้พระรหารเนี่ยเขาตื่นเต้นตื่นเต้นจนโอโหอยู่ไม่ได้ต้องลุกขึ้นมาเลยเนี่ยนต้นเนี่ยโหชาววัยสาลีมารอตั้งแต่มารออยู่ในน้ำเลยนะหัวมิดคอยืนพนมมืออย่างนั้ น, น่ะจนเรือมาถึงฝั่งใช่ไหมโโหด้วยความเคารพพอ พ, พระพระบรมศาสดาแค่เหยียบพระบาทแรกนะก้าวไปที่เมืองไปที่เมืองวยสาลีพอเหยียบไปที่พื้นดินปุ๊บฝนก็ตั้ ง, งเขาขึ้นมาเลย ใช่ไหมตอนนั้นตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นบริเวณเมืองทั้งหลายเนี่ยเกลื่อนกลนไปได้วยศพศพใช่ไหมมีทั้งศพของคนจนเต็มไปหมดเพราะว่าเจออะไรทุบพิขภัยคนอดอยากนะคนก็ค่อยๆตายลงตายลงใช่ไหมเจอโรคระบาดด้วยเจออามนุษย์เบียดเบียนด้วยนี่คนก็ตายไปจำนวนมากศพก็วางเกื่อนการรอบเมืองเลยนอกเมืองด้วยพอเหยียบไปพอพระพุทธเจ้านะเหยียบขึ้นไปที่แผ่นดินใช่ไหมเหยียบพระบาทกาวแลกภูฝนก็ตั้งเขา พอก้าวไปในตัวเมืองเนี่ยฝนก็ตกลงมาเป็นฝนโบกครณีนะฝนโบกครณีนี่เกิดจากกําลังบุญของพระพุทธเจ้าเองใช่ไหมเป็นฝนที่ใครปรารถนาอยากให้เปียกก็เปียกใครไม่ปรารถนาอยากให้ไม่เปียกก็ไม่เปียกใช่ไหมโอ้โหแล้วก็ไอ้ฝนฝนเนี่ยก็พัดโบกเอาซากศพเนี่ยซากศพให้ลงแม่น้ําคงคาไป ต, ตอนนี้ก็โอ้โหเมืองนี่ที่เต็มไปด้วยศพตอนนี้ก็สะอาดขึ้นมาทันทีใช่ไหมหลังจากนั้นพอพระองค์เนี่ยไป เสด็จไปถึงดําเนินไปถึงกําแพงเมืองพระองค์ก็พระองค์ก็ตอนนั้นเนี่ยอามนุษย์เนี่ยพระองค์เสด็จมาพร้อมกับอะไรพร้อมกับเทวดาศักดิ์ใหญ่เต็ไมไปหมดเลยไปไม่หมดเลยแล้วตอนนั้นไปว่าอะไรอามนุษย์เนี่ยอยู่ไม่ได้พากันหนีออกจากเมืองกันไปหมดใช่ไหมบางตัวก็แอบซ่อนอยู่ในกําแพงเมืองนั่นแหละบางบางตัวก็แอบซ่อนอยู่ในซอกกําแพงเมืองทีนี้พระพุทธเจ้าก็ทําอะไรต่อพระพุทธเจ้าก็สอน สอนมนอย่างเงี้ยให้กับพระนนท์สอนรัตนปริตรเนี่ยที่บอกว่ายานิทะเป็นต้นเนี่ยยานิทะพูตานิสมาคาตานิภูมมานิวายานิวายันตลิเคเนี่ยสาให้ให้พระนนท์เนี่ยเรียนสาธยายนะแล้วก็ทำพระปริตรขึ้นมาโดยเอาบาตของพระพุทธเจ้าเนี่ยใส่น้ำแล้วก็ปะปะพรมน้ำมนต์ไปรอบรอบเมืองเวสาลีเลยนะพระนนก็ปะพรมไปรอบๆท่านสวดอย่างเงี้ยยานทะูตาสวด สวดสวดอย่างเงี้ย <Darth> ทั้ง <Kumar> คืนเลยสวดทั้งเงี้ยทั้งคืนเลยแล้วเป็นไงอะมนุษย์เนี่ยที่ซ่อนตัวอยู่ในนั้นอ่ะโหก็อยู่ไม่ได้ก็พากันหนีออกมาใช่ไหมพากันหนีออกมาเต็มประตูเต็มประตูเมืองเลยเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วเกิดอะไรต่อนะไอ้มนุษย์ที่ยังยังไอตัวที่มันพากันออกมาอย่างนั้นประตูเนืองแน่นมากไอตัวที่มันออกมาไม่ได้โอ้โหอยู่ไม่ได้ก็คือมันพังกำแพงออกมาเลยกำแพงเป็นรูเลยนะเพราะงั้น ใช่ไทีนี้เนี่ยตอนนั้นอ่ะเมื่อเมื่อตอนนั้นก็คือทุพพิขภายข้าวยากหมากแพงเนี่ยพระองค์ก็ก็สามารถแก้ไขได้ในสุตรจริงๆก็แก้ไขข้าวยากหมากแพงได้แก้ไขเรื่องอามนุษย์เบียดเบียนได้แก้ไขในเรื่องของโรคระบาดได้เป็นตนนน้นเนี่ยลักษณะอันนี้ตอนที่พระองค์ไปนะโอ้โหพอเสด็จแสดงแสดงธรรมเรื่องรัตนสูตรเนี่ย พอจบปุ๊บปรากฏว่าหมูสัตวดหมื่นสพันเนี่ยบรรลุเป็นจํานวนมากเนี่ขอให้เรานะตั้งศรัทธาไว้โอภพระปริศเนี้ยเกิดจากอะไรใครเป็นคนตรัสพระพุทธเจ้าเป็นคนตรัสเอง <c oughs> พระพุทธเจ้าเป็นคนสาธยายเองเป็นคนเป็นคนเทศเองใช่ไหมแล้วอนุภาพของพระปาริศเนี่ยทรงพลังขนาดเนี้ยเป็นการประกาศคุนะประกาศประกาศคนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใช่ไหมเออขอให้เรามีความมั่นใจ ว่าว่าเออแล้วแล้วเทวดานะที่บรรลุจากเทวดาที่บรรลุจากการฟังธรรมเทศนาเนี้ยเขาจะชอบฟังบทนี้มากเป็นบทหนึ่งพระพระอาจารย์พระเกจิอาจารย์ก็เลยเอารัตนสูตรเนี่ยเอาไปใส่ในบนพิธีต่างๆให้เราได้สวดเนี้ยอันนี้เข้าใจเนาะเป็นการประกาศรัตนรัตนอันประนีตเอออย่างเงี้ยอย่างที่เราเนี่ยเป็นต้น ในบรรดาในบรรดาและในและในบทที่และในบทที่บอกว่าโกติสตสหัเซสุจักวะเรสุเทวตายัสานัมปฏิคันหติยันจาเวสาลียาภุเร โรคามนุสาทุพิคาสัมภูตังติวิทังพยังคิปมันตารทาเปสีปริตังตังะนามะเหนี่เป็นต้นที่บอกว่าเหล่าเทวดาในเมื่อสวดพระปริตนะผลอานิสงส์ก็คือพระปริตเนี้ยจะแผ่ไปยังแสนโกศจักรวาล น, นะเป็นที่ยอมรับ เป็นที่ยอมรับอำนาจหรคือมนุษย์อาตมนุษย์ทั้งหลายที่อยู่ในแสนโกฎจักรวาลน่ยจะยอมรับอํานาจของพระปรินะโอขนาดนั้นเลยอานาจของพระปริศเนี่ยสามารถแผ่ไปยังแสนโกฎจักรวาลที่สามารถขจัดภัย3าประการได้ก็คือความเจ็บป่วยหนึ่งอามนุษย์หนึ่งแล้วก็ข้าวยากหมากแพงหนึ่งให้หมดไปโดยพลันขอเราทั้งหลายเนี่ยจงตั้งการุญยจิตเนี่ยร่วมกันสวดพระปริศนะ นาาเนียนี้อธิกรรมเขาบอกในในบาลีเขาบอกอย่างนี้อ่เดี๋ยวเดี๋ยวต่อมาจะขอสวดอีกสักครั้งหนึ่งเนาะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยกล่าวไปแค่เพียงแค่ไม่กี่คาถาเท่านั้นเองเดี๋ยวจะสวดให้ตลาดนี้ซะหน่อยนะยานีเถูตานิสมาคตานีภู ม, มานิวายานิวันตลิเค สัพเพวผูตาสุมาณฑพวันตุอโทปิสักกะจะสุนันตุภาสิตังตัสมาหิผูตานิสเมเสัพเพเมตังการโอธมานุสียาปชายาทิวาจรถโตจารันดิเยผลิงตัสมาหิเนราคธาอภุมัตตายังกินชีวิตตัิฑวาหุรังวา สักเเคสุวายังรัตนังเบณีตังนาโนสังมังอาจิตาธาคาเตนาอิธรรมปิพุทธะรัตนังเบณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัทติโฆตูขยังวิราคังอมตังเบณีตังยะธาชัคาสักยามุนีสมาหิโตนาเตนะธรรมเมนะสมาธิกินจี อีดัมบิดัมเมรัตนังบันีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตูยัมพุทธเสโทปริวันในยิสุจริงสมาธิมานันตริกันเยมะหูสมาธินาเตนะสมโมนวิชตีอีธัมบิดัมเมรัตนังบันีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตูเยปุคาลาอัธสตังปัสสาธา สัตตารีเอตานิยุคานิฮ o นตีเตทักินเนยาสุขตาสสาวกาเอเตสุทินานิมหพลานีอิดัมบิสังเครตนะังเบณีตังเอเตนัสเจนัสวัติโหตูเยสุปายุตามนัสาทันเฮนานิกาไมโนโคธรรมสาสนัมฮีเตปติปัต้าอมตังวิไคหะ ลัท่ามุท่านิพุติงบุญจะมานาอิธรรมิสังเคระตนังเบณีตังเอเทนัสัจเจนสุวัิโหตูยาทินทคีโลปทวิงสิโตศิยาจะตูพิวาเตปิอสัมวกัมเดโยตทูปะมังสาปุริสังวธามิโยรียสัจจานิอเวชปาสติอิธรรมพิสังเคระตนังปณีตัง เอเตนะสัจเจนะสุวัตทิโหตุเยอริยสัจจานิวิภาวยันติธรรมพิรปัญเยนะสุเทสิตานีกินจาปิเตโหณทุพุสธพมาตาอเตภวังอัตธรมมาทิยันติอิธรรมพิสังเครตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตทิโหตุสหวสตาสนสัมปทาญา แต่ยาสัรรมมาชหิตาผวันตรีสักกายทิฏฐิวิจิกิจีตัณจาสีลาพังทังวาบิยถาทิกินจีตัทูหปาเยหิเจวิปมุตโตชาพิธานานิยภาพภกาตุงอิธรรมพิสังเครตานังเบนีตังเอเตนะสัจเจนสุวัติโหตูกินจ้าพิโสกรรมมังกรโรติปาปะกัง กายเห็นวาใจยุทธเจตสาวาอาภพโพโซตัสสปฏิชทายาอภพพตาทิถัปทาสุตตาอิธรรมดิสังเครตนะังบณีตังเอเตนะสัจเจนะุสวัติโหตูวนาปะคุมเพยทาพุสิตาเข็ปิมหานามาเสปธมัสเมิงคิมเหปตทูปมังธรรมวรังเทศยี นิพานคามิงบรมังหิตายอิธรรมพิพุทเทรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตทิโหตูวโรวรันยูวโรโทวราหโรอนุตตาโรธรรมวรังเทเสนิธรรมพิพุทเทรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโฆตูขีนังกุรานังนวังนาทิสัมเพวัง วิร e an e ัตจิตตาญติเกพาวส์มิงเตคีนาพีชาวิรุณที่ชันธานิพันที่เทียรายทายัมปทีโปเอเตนะสักอิธรนมปิสังเครทนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตทิโหตูยานีเถพุยานีเภูตานิสมาคตานีภุมมานิวายานิวะอันทะลิเค แต่ถ้าขัดตังเทวมนุสปูชิตังพุทธังนมัสสามะสวัส i ิโทุยานีเูตานิสาคตานบุมมานิวะยานวะอันทิเคแต่ถาขาตังเดวมนุสปูชิตังสังฆังนมัสสามะสวัสิโทุอ่าเป็นต้นจบรัตนปริศนะ นขอให้เราทำศรัทธาให้เกิดขึ้นใ น, ในระหว่างที่ฟังการสาธยายขอให้เรามีความเชื่อมั่นนะว่าพระปริศนี้มีอำนาจที่แผ่ไปแสนโกฏักรวาลนนะแม้ผู้ใดได้ฟังเนี้ก็สามารถแม้ไม่เข้าใจนะก็สามารถไปเป็นก็คือสามารถเป็นเป็นอัทยาศัยเป็นต้นได้นะโอเค เออตอนนี้ก็6โมงแล้วเนาะอันนี้วันวันนี้แตมาก็จะขอฝากไว้เพียงแค่เรื่องหนึ่งนะก็คือรัตนประดิษฐแค่อยากจะมาบอกเฉยๆว่าเออแม้พระประิตฐที่พระพุทธเจ้าเนี่ยที่มีพภามหากรุณาที่คุณประทานพระประิตฐ์ให้เนี่ยแม้หมู่อาตมนุษย์เทวดาน้ากุดคนธรรมทั้งหลายก็ยอมรับในอนุภาพของพระประดิษฐเนี่ยเราถ้าเกิดว่าเราทําการสาธยายบ่อยๆใช่ไหมเทวดาจะชอบฟัง เทวดาเนี่ยที่บอกว่าเนี่ยที่ในบทเนี้ยที่บอกว่าเ อ, อพูดเหล่าใดเนี่ยประชุมกันแล้วในประเทศนี้ก็ดีภูมิเทวดาเหล่าใดประชุมกันแล้วในอากาศก็กดีขอพูดทั้งหลายเนี่ยจงเป็นผู้มีใจดีถ้าเราสาธยายบทนี้ไปเรื่อยนะเทวดาจะมีอาตมนุษย์เนี่ยเขาจะมีจิตใจที่อ่อนโยนใช่ไหมเขาจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เ, าเราถ้าเขาช่วยเหลืออะไรได้เนี่ยเขาก็จะช่วยเหลือนะก็ ถ้าโยมมีศรัทธานะก็สวดบ่อยๆสวดบ่อยๆลองดูน ะ, ะแล้วท่ามาก็จะขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะ